ก็ในช่วงของการศึกษาเช้าก็ได้นำเอาเพระสูตรธรรมเทศสัต์อันแรกของพุทธเจ้าเนี่ยมาสวดให้ฟังก็เป็นหลักนะว่าในช่วงการภาวนาฤทธิตเนี่ยเราก็ใช้หลักอันนี้แล้วก็เราใช้หลักของการเคลื่อนไหวเข้ามาเป็นตัวภาคปฏิบัติ แล้วก็ใช้ตัวหลักคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเป็นตัวบรรัฐานคือเราต้องการตรวจสอบความถูกต้องทั้งที่เป็นวิธีการปฏิบัติลหลักการปฏิบัติให้ตรงกันเพราะปัจจุบันนี้เรามีปัญหามากในการตีความหมายของคำพีแล้วก็ตีไปคุนละที่ได้ทางเสร็จแล้วก็เป็นปัญหาระดับชาติระดับโลกที่ในฐานะเราเป็นผู้ปฏิบัติ คือส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านพุทธศาสนามายาวนานเนี่ยถ้าเรารู้อะไรไปมันไม่ถูกต้องตามหลักเขาก็จะดูถูกเราได้ว่าไปศึกษาอะไรมาไปเรียนอะไรมาผิดเพี้ยนแล้วแก้ไปแก้ปัญหาไม่ได้เสียเวลาอยเี้ยนี่ถ้าหากว่าเรามีการตรวจสอบตั้งแต่แรกๆเนี่ยปัญหาเหล่านี้ก็ไม่เกิด วโรธที่นิการใหม่ๆในเมืองไทยเราเกิดเยอะแยะก็พอการตีความหมายความภีรไปตามทิฏฐิของตัวเองก็ เ, เรื่ออัตโนมติอัตโนมติเอาตามทิฏฐิของตัวเองเสร็จแล้วเราก็ทิ้งหลักการอะก็เป็นเป็นหลักอะไรหลักการกลายมาเป็นหลักอะไรหลักกูนะนี่ก็ฟูดเจ๊กกันหลักเอาตามหลักกูนันะไม่ใช่หลักการมันก็เลยปัญหาก็ ถูกนี่ไปเรื่อยๆเนะี่ยที่สาคัญก็คือบางคนก็รู้ถูกตามตําราหมดนะแต่ว่าอดไม่ได้อดทําตามกิเลสของตัวเองไม่ได้หลักการที่ที่ถูกต้องขนาดไหนก็ไม่เป็นประโยชน์เพราะเอาไปทําไม่ได้นะนี้เราจะทำไงให้มันเป็นหลักการที่ถูกต้องวิธีการที่ถูกต้องแล้วก็เอาไปใช้ให้ได้ได้ไประโยชน์ด้วยนะแล้วก็ก็ตงมาช่วยกันมาช่วยกัน ปฏิบัติแล้วก็มาช่วยกันพิสูจน์วิเคราะห์ร่วมกันไม่ใช่ฟังอาตมาหรือหลวงพ่อเท่านั้นว่าถูกต้องเพราะความถูกต้องนี่มีอยู่ในคนทุกคนแล้วก็ไปทําให้มันตรงกันอ่าถ้มันตรงกันก็ถือว่าถูกต้องละอ่าถ้ามันตรงแต่อาตมาองค์เดียวแต่โยมไม่ตรงเยี่ยวไม่ถูกตรงแต่โยมอาตมาไม่ตรงนี้ก็ไม่ถูกทุกคนมันมีความจริงอันเดียวกันอ่า อันว่าความจริงแท้เป็นอย่างเดียวกันก็นสีเร่มหนึ่งนะความจริงแท้มันอันเดียวกันถ้าว่ามันมันไม่เป็นอันเดียวกันมันแตกแยกแตกต่างไปมันก็ไม่ใช่ความจริงแท้หลักการเพราะฉะนั้นช่วงเช้าวันนี้เราเริ่มต้นวันมาคบูชาหลักการที่เกิดขึ้นวันวันบบูชาก็เป็นเป็นโชคเป็นโดยบังเอิญนะ แต่คุณพิชาเขาจะกะ็ตั้งกําลัดเอาวันนี้มาก่อนก็ไม่รู้แหละแต่มันมาตรงใ น, นช่วงนี้พอดีแกนิมนต์ไว้ตั้งแต่ปีกลายนะเพราะฉะนั้นใ น, นช่วงเช้า ว, วันนี้เราก็เลยสวดธรรมจักอธรรมจักก็มีเนื้อหาว่าอย่างไรยุ่มก็สวดผ่านๆไปอย่างเงี้ยแหละจำไม่ได้หรอกเนียเอามาสวดมาไม่รู้อีกครั้งยังจําไม่เคได้แต่ถ้าเราตั้งใจจํามันก็จะจําได้ ในเรื่สวสดเมื่อพุทธองค์ตรัสรู้ได้ตรวจสอบทุกทนหลักการที่ตรัสรู้แล้วนี่เอเรารู้คนเดียวเนี่ยคนอื่นไม่รู้ด้วยน่ยมันจะถูกจริงหรือเปล่าท่านก็เลยไปหาว่าคนไหนที่จะฟังแล้วเข้าใจได้หลักการที่เรารู้เนี่ยตอนแรกก็นึกถึงครูเดิมของท่านใช่ไหมอาราลาดาบทอุตกาดาบท มาพิจารณาอีกทีหนึ่งทั้งสองท่านนี่มันไปลึกเกินไปแล้วถึงจะไปบอกไปสอนไปแน่ท่านคงคงไม่รับอ่ะแต่คัมภีร์บอกว่านึกถึงอาจารย์ทั้งสองก็ได้ทรงอย่างทราบด้วยพยายนว่าอาจารย์ทั้งสองนั้นตายไปแล้วเมื่อวาน น, นี้ก็คือตายจากความที่สติปัญญาที่จะเข้าใจเรื่องเนี้ยแต่ควาจริงตายไม่ตายไม่รู้แต่ที่แน่แนคือมันรับไม่ได้เขาเรียกว่าตายแล้วนะ แเรามืนั่งฟังเนี่ยในสิ่งที่มานำเสนอถูกต้องทั้งหมดแต่เราลับไม่ได้ก็ถือว่าเราตายแล้วเหมือนกันก็มันนึกถึงเพื่อนเอออีห้าท่านเนี่ยเคยอยู่ด้วยกันเพราะตอนเราเลิกทําความเพียรแบบเคร่งคัดตามหลักของรุยสีทั่วไปท่านทั้งห้ารับไม่ได้ท่านก็เลยหนีไปแต่ว่าทั้งห้าคนอย่างไรก็อยู่กันมานานรู้จักใจกันดีก็น่าจะฟังกันบ้างท่านก็เลยไปตามหาเนีย เอาไปตามหาก็ฝ่ายฤาษีทั้งห้าท่านคือปัจจวัคคีทั้งห้าท่านก็ก็รู้สึกผิดหวังตั้งแต่แรกเลยอะก็นัดกันว่าเออถ้าถ้ า, ท, าท่านสิทธัตถะท่านสิทธัตถะตามมาหาพวกเราเราก็ไม่ต้องไปลุกลับกลับไหวนะท่านกน่งทำอะไรไปแล้วพิสูจน์ตัวเองไม่ได้อ่าเดี๋ยวก็นัดกันอย่างเงี้ยทีนี้วันหนึ่งก็เห็นท่านไปหาจริงจริงก็เดินไปก็นึก คนก็นะทำกติการกันไปแล้วจะไม่ลุกรับกลับไหวแต่เพื่อให้อาชนะให้ยินอาสนะให้นั่งพอท่านเดินเข้าไปจริงๆก็เลยเห่อด้วยความที่เป็นเจ้านายกันมาก่อนและนับถือกันมาก่อนเนี่ยก็ลุกเลาให้อาชนะลูกรลบแต่ไม่กลววับไหวจะพระบุทธเจ้าหรือพุทธองค์ก็บอกว่านั่งลงเราจะบอกอะไรให้ฟัง อาก็นั่งลงนะฮแต่ตอนแรกทคำท่าลังเลจะไม่ฟังนะถึงสามครั้งนั่งลงแล้วเราเจะบอกความจริงให้ฟังทําท่าจะไม่ฟังเลยท่านเลยถามไปะเจ้าวิดีเท่าเราเคยพูดคํานี้มาก่อนไหมว่าเราจะบอกความจริงให้ฟังเนี่ยเคยพูดคํานี้มาก่อนกับท่านไหมทั้งห้าก็มองหน้ากันเลือกละออจังปกติ เจ้าชายชิตะทะที่เราอยู่ด้วยกันมาท่านไม่เคยพูดโกหกเลยนะเพราะฉะนั้นเขาคงจะต้องฟังท่านนะก็นั่งลงฟังแล้วท่านก็ได้พูดถึงเรื่องเรื่องของท่านนี่แหละเรื่องธรรมจักรเราถึงมาตั้งชื่อสิ่งที่พูดกับปัญญวิคีทั้งห้าว่าธรรมจั ก, กปรปปวัตนะธรรมจั ก, กปรปปวัตนาการหมุนจักรคือกลมล้อแห่งธรรมเนี่ยให้เป็นไป เราประกาศหมุนกงจักรกุงลอ้อกลุงธรรมจักรจักกามไปว่าลอ้อนะให้เป็นไปได้ขนาดนั้นทีนี้การหมุนครั้งนั้นน่ะท่านได้กล่าวมาเป็นเรื่องที่เราสวดไปเมื่อกีนะ้ว่าท่านบอกว่าณนะเสวิตภาปะาชีเตะอันตาท่านะบอกว่าที่สุดมีสองอย่างที่นัก ปฏิบัตินักบวชไม่ควรข้องแวะท่านใช้คำว่าข้องแวะใช้ว่าเสวิตภาคือเสพไม่ควรเสพไม่ควรเสพไม่ควรติดไม่ควรไปยินดีพอใจด้วยนะไอเสวนาด้วยนะไม่ควรเสวนาด้วยไม่ควรเสพด้วยท่านใช้ภาษาบริวชนา น, นะเสวิตภาไม่ควรไปข้องแวะที่สุดแห่งการกระทำนั้นมีสองอย่างคืออะไรอ และที่สุดแห่งการอะธรรมมีสองอย่างเนี่ยถ้าใครไปเสพไปคลองแวะคือความที่ไปหมุกมุ่นในความอยากทั้งหลายเรื่อการมสุขานิการนุโยคคือไปหมุกมุ่นคุณคิดในเรื่องความอยากที่เกิดที่ตะ ว, ว่ามาเมื่อคืนน่ะความพอใจความอยากความสบายทางตาหูจหมูกลิ้นกายใจเนี่ยถ้ามันความเป็นความอยากที่มันเกิดตรงนั้นน่ะไม่ควรจะไปเสพ ไม่คนรที่ไปยึดไม่ควที่จะไปเพลินด้วยออันนี้่าสําสหรับพวกที่ไม่เพลินก็หนีอกบวชเพราะหนีอกบวชแล้วก็ไปทําิเชสทรมานตัวเองเนี่ยแทบแย่เลยท่านบอกอันนั้นก็ไม่ถูกเหมือนกันเป็นทางสุดตรงอีกทางหนึ่งเป็นการหนีจากข้างขวาวิ่งไปข้างซ้ายอาก็ไม่ถูกเป็นอันตาคือเป็นสุดตรง น, นั้นคืออตต์กิลมัฐานุโยคะ ก็คือการทําตัวเองให้ลาบากกนธรมานตนนะการโดนลำบากทรมานตนทั้งสองทางเนี่ยท่านบอกไม่คนข้องไว้ไม่คนเสพไม่คนครบไม่คนเข้าไปใกล้ถ้าไปเสพไปคบทีนี้ไอความเพลินเนี่ยมันมีทางสองส่วนคือทางกายถ้าไปเพลินแล้วเราก็จะเกิดนิวรณ์ทั้งห้าเป็นระดับแรกอันนิวรณ์ทั้งห้าเป็นทางกายทั้งใจนะแล้วถ้าหากว่า ไปทรมานอีกสุดต่งอีกด้านหนึ่งมันก็จะเกิดตัวอะไรตัวปฏิเสธตัวสงสัยในที่สุดนั่นก็เลยให้ละที่เรียว่าร่างกที่เกิดทางกายก็คือที่เราว่ามันไคืนคือความเพลินก่อนใช่ไหมความเพลินก็อให้เกิดความง่วงง่วงก็ตาหนักตาหนักก็หลับแบบคุณกระนกวันน่ะ ลืมตามไม่ค่ยขึ้นเลยใช่ไหมไม่้นเมื่อนอนใหม่พึ่งมาใหม่นอนนั่นอนไม่หลับใช้ไม่ขึ้นเรากลางวันก็มานั่งง่วงอะ่ะหรือทีนี้เราต้องใช้สติอย่างแรงแล้วทีเนี้ยคุณต้องฝืนเลยใช่ไหมหายใจลึกๆเลื่อนตากว้างๆยิ้มเข้าไว้อะเนี้ย่อย่าไปทําหน้าเบื่ออย่าไปก้มหลับตาแต่ก่อนที่มันจะง่วงมันก็หาวก่อนใช่ไหมหาวหลายวอดแล้วอ่ามันก็เริ่มหนักนี่เราเพลินน่ะเราเพลินในอันนี้คือทางสุดตรงทางขวาใช่ไหม แต่ถ้ารู้สึกว่าความง่วงไม่ใจะจู่ๆมางุ้มๆเลยนะมันจะต้องมีสัญญาณมาก่อนใช่ไหมสัญญาณมันเป็นยังไงดูออกไหมสัญญาณความง่วงมันจะนั่งแช่ก่อนอ่านั่งแช่ไปแล้วหายใจก็จะสั้นลงอ่าหายใจสั้นลงไปใช่ไหมตาก็เป็นไงตาจะหนักลงมาอ่าหนักลงมาก็จะหายอาการหายออกมาละสักพักเลยไม่แก้เป็นไง ง่วงล้วมันก็มีลำดับข้ามบนนะแต่เนื่องจากว่าสติกําลังสติสมรยัติของเรายังไม่แรงพอที่จะตามทันยังไงมันเริ่มตั้งแต่หายใจสั้นละ่ะเติ่มตั้งแต่แช่เสบีบสบายละออกมาเป็นความหาวก็ยังไม่รู้เอามาเป็นตาหนักก็ยังไม่รู้อีกเพราะกําลังสติแล้วไม่พอแต่พอเราคอยปรับก็เปลี่ยนคอยสังเกตแล้วก็ปรับเรื่อยๆเนี่ยไอ้ตัวนี้มันก็ถูกตัดตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมความเพลินในอาการนี้มันก็จะไม่ออกมาเป็นความ อ่าห่วงนะความที่เข้าไปแช่ไปเผลอนที่เขาเรียกว่ากามะฉันทะเป็นนิวรณ์ตัวแรกเลยกามะฉันทะเข้าไปเื้อเข้าไปแช่แช่เข้าไปจมเข้าไปคล้องแหวะอ่าพอได้สักพักก็หายเพราะฉะนั้นวิธีการก็หายเพราะเอาชี่เย็นในสมองเอาชี่ไม่ไปเลี้ยงสมองก็ให้เกิดอาการหายวิธีแก้ทําไงฉุดเอาเย็นเข้าไปเติมเยอะๆนะ เพราะหายใจเข้าลึกๆออกซิเจนเข้าไปเยอะมันก็สวิตแต่ว่าหายใจเข้าลึกๆแล้วหยุดนิดหนึ่งหยุดนิดอนช่วงที่หยุดนิดหนึ่งเนะี่ยมันจะนกลไกในร่างกายมันสวิตเอาตัวออกซิเจนนะ่ยเป็นเอนไซม์ตัวเอนไซม์ก็จะไปเลี้ยงสมองสมองที่มันขาดออกซิเจนขาดเอนไซม์มันจะทําให้ง่วงจะออกมาเป็นความเหงากรนี่หลักบริตร์เข้ามาเป็นเพราะในธรรมเทศนาเนี่ยเป็นวิยาศาสตร์ทุกขั้นตอนเลยนะพิสูจน์ได้ถ้าใครรู้จกักหลักการแพทย์ แล้ก็ฟังๆเขามาก็ว่าตามเขามันก็มันก็เมคเซนนะเป็นเหตุเป็นผล น, นะทีนี้อันนี้คือความที่เราจะไปสุ่ตรงทางการมันจะเริ่มมาอย่างนี้ก่อนเริ่มมาหมกมุ่นจมทางตามองอะไรก็้ชอบเหลือเกินดอกไม้ดอกนี้ชอบเหลือเกินต้นไม้ตนันนี้ชอบเหลือเกินผ้าวันนี้ชอบเหลือเกินคนคนนี้สวยเหลือเกินมองบ่อยๆแล้วเริ่มไปติดไปจมละใช่ไหมอ่นะ ทางตาทางหูผู้เสียงนี่พเพราะเรือยเกินก็ลุิมไปแช่ไปจมแล้วทั้งหทางที่ว่ามันไคืนนะี่ยไม่ใช่แต่เรื่องทางกายทางเดียวนะตาหูจมูกลิ้นลูกเสียงกีดลถมันมากระทบแล้วเราก็ไปเพลินไปแช่ไปจุมมันก็ยากไปตามลาดับง่ายที่สุดคือการชอบหรือไม่ชอบทางตาง่ายถัดมาการชอบหรือไม่ชอบทางหูยากไม่ใช่ง่ายยากถัดยากไปเรื่อยเรยจนไปถึงยากที่สุดคือใจ ทนไม่ได้เนี่ยอันนี้คือความยากเพราะฉะนั้นความยากเหล่านี้มันก็ไม่เหลือวิสัยที่เราจะไปแก้ด้วยเพิ่มกําลังของอะไรกําลังของสติสัมจัญญะปัญญาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นกรรมฐานทุกรูปแบบเนี่ยคือวิธีการเพิ่มกําลังสติเพิ่มกําลังสมาธิเพิ่มกำลังปัญญาเท่านั้นนะแต่ความจริงมันมีอยู่แล้วแต่เรายังมองไม่เห็นไงเพื่อนว่าจะขู่เกิดขึ้นแล้วก็เพิ่มกําลัง สติปัญญาเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดจากขุงูาาท้าปะทิที่เสื่อมไ่แก่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเรามาดูจุดนี้ก่อนว่า <c oughs> เมื่อเราไปเสพในความเผลอและความเพลินทางสุดตรงทั้งสองทางเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นก็เกิดตัณหาสามใช่ไหม <c oughs> ก่อนที่ไปเกิดตัณหาสามมันเกิดนันทิก่อนนันทิราคาสหครา <c oughs> โปโนพวิกามา ง, งั้นพอเราไปเสพด้วยอํานาจของความเพลินนันทิ นั่นที่ก่อให้เกิดความเพลินความเพลินทางกายเรียกว่าเสพความสบายใจเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าอันนี้คือหลักเขามันนะเมื่อเราไปเสพทั้งสองทางในส่วนที่เสพทั้งสองทางแเราเราค่อยเสียเมียแล้วบ้างค่อยเสียนว่าฮีโนในแง่ของกา ม, มาสุขานุโยคนะถ้าเราไปเสพความแช่ความเสพความสนุกความเพลินนั้นจะมีโทษห้าอย่างไม่ใี่โทษอ่ะหนึ่ง เป็นฮีโนเป็นของต่ำจำให้จิตใจเราต่ำฮีโนคัมโมเป็นเรื่องของคนทั่วไปปุถุชนปุถุชนโนเป็นเรื่องของปุถุชนคนอาหนาว่ากเะแล้วก็ ino, amo, กฮีโนคัมโมปุถุชนโกอนาถสันหิโตไม่เป็นประโยชน์อ <c oughs> <c oughs> นาริโย <c oughs> ไม่ใช่เรื่องของคนที่จเจริญแล้ว ไม่ใช่เรื่องของคนที่จะเป็นผู้เจริญขึ้นไปเรียกว่าอาริยะและอนัตถสันถิโตไม่มีประโยชน์การทำยังไงการมานั่งง่วงนั่งเสพนั่งง่วงแล้การไปนสนุกสนานกรับรูปเสียงกีรติท่านบอกว่าเป็นเรื่องของคนใจต่ําเป็นเรื่องของคนหนาเป็นเรื่องของชาวบ้านเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องของผู้เจริญแล้วก็ไม่มีประโยชน์ห้าหกอย่างเนี่ยคื อ, อนี่ของมันแต่ขณะที่เราไปเสพทางด้านอีกฝ่ายหนึง่ง คือทรมานตัวเองมีโทษสามอย่างหนึ่งทุกโโหเป็นทุกสองอ น, ะ <c oughs> อนะะธธัตสันฮิโ <c> ต <oughs> ไม่อนัติโยไม่ใช่เรื่องของผู้เจริญที่เขาจะทำเหือกันและอนะะัตตสันฮิโตไม่มีประโยชน์ตอนนั้นเราไปเสพนึ่งนึ่งฝ่ายการทรมานตัวเองทําตัวเองลำบากมีโทษมีข้อโ ท, โทษสามอย่างคือเป็นทุกไม่ใช่เรื่องของผู้เจริญและไม่มีประโยชน์ แต่ถ้ า, ากาไปเสพทั้งฝ่ายสุขสนุกสนานในรูปเสือขี่รถมีห้าอย่างไปทำให้จิตใจต่ำเป็นเรื่องของพลชนเป็นเรื่องของชาวบ้านไม่ใช่เรื่องของผู้เฉลิ่นแล้วก็ไม่มีประโยชน์นั้นถ้าไปเสพไปแวะในะความสิ่งที่ชอบใจเนี่ยมันมีโทษห้าไปเสพในสิ่งที่ไม่ชอบใจก็มีโทษสามนะอ น, นัตถสันหิตทีนี้เมื่อ ถ้าหากว่าเราจะออกจากนี้ก็จะต้องมารู้จักว่าถ้าไปเสพแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดอ่าความทุกข์มันจะเกิดความทุกข์แล้วก็ทุกข์นี่มีกี่อย่างเขาถามว่าทุกข์มีกี่อย่างทุกข์ทางกายก็มีการเกิดการแกร่การเจ็บการตายแต่ในนั้นถ้าบอกว่าการแกร่การเกิดการแกร่แล้วการตายการเจ็บไม่มีพอท่านบอกการแก่นี่มันบอกความเจ็บไปด้วย ไม่ความเจ็บความป่วยความไม่สบายนั้นก็าจะแยกออกมาหนึ่งความเกิดสองความแก่สความตาย 4. ความสกเศร้าหความบำพุนเพลื้มิไรลำพันห6ความไม่สบายกายเจความไม่สบายใจ 8. ความขับแคนใจ 9. การประสบในสิ่งที่เราไม่ต้องการ 10การพราดพลาดในสิ่งที่เราต้องการส1บอดการไม่ได้อย่างใจส2บสองเราไปสำคัญสิ่งนี้ว่าเป็นเร า, าสังขีเตนะเปเ็นทุกมีสิบสองอย่างาเป็นเรื่องของกายเสียสาเป็นเรื่องของใจเสียแปดนะเป็นเรื่องของกายเสยาเป็นเรื่องของใจเสียแปดเออสิบสองอย่าง เป็นเรื่องของกายเสื้อสามเป็นเรื่องของใจเสื้อาอ่าเป็นเรื่องของกายเสื้อสามเป็นเรื่องของใจเสื้ออะไรก้าใช่มสิออย่างทุกเน่ที่มาจากทุกกายความแก่ความความเกิดความแก่ความตายจากนั้นก็เป็นเรื่องของจิตทั้งหมดเลยจิตมีมากกว่า แต่โคมสุขเศร้าพิไรลำพันธ์ความขับแค้นใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจควา ม, วามขับแคลนใจความปรารถนาความเพราะประสบกับสิ่งที่ไม่ไม่พึงปรารถนาแล้วก็พัดภาคสิ่งที่จะต้องการปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ตามที่ต้องการแล้วก็ไปสำคัญตนเองผิดเนี่ยเป็นสิ่งนำมาซึ่งทุกทั้งหมดนะ <c oughs> นะี่ทีนี้ท่านบอกว่ามันมีทางออก นะแต่ทุกนี่คนเช่นท่านบอกว่าจะต้องสละท้งละต้อ ง, ลองอสลัดแล้วก็ไม่ไปอะไรอาวรนกับเรื่องสองเรื่องเนี่ยไม่ไปอะไรอวรนเรื่องอความอรเด็ดอร่อยทางตาหูจมูกลิ้นกายให้สละให้ละใหะ้ไม่อะไรอวรและความที่เราไม่ชอบใจก็ต้องสละท้งละต้องไม่อะไรอวรนกับมันสละอันนี้วิธีการทีนี้เลยจะทำอย่งไร ก็ต้องมาทำอย่างที่ว่าเนี่ยต้องมาทางสายกลางหันว่าทางสายกลางก็มาทำอย่างที่ว่าไปเมื่อคืนคืออย่าให้มันสบายเกินไปอย่าให้มันทุกเกินไปปรับให้มันพอดีเสมอนี่นี่นี่คือภาคปฏิบัติละเราถึงจะดินไปดินมาดินไปดินมางเยทีนี้ไอ้การเคลื่อนไหวมันมีสองอย่างหนึ่งเคลื่อนไหวแบบรู้ตัวสองเคลื่อนไหวแบบไม่รู้ตัว ถ้าเคลื่อนไหวแบบไม่รู้ตัวเนี่ยมันเป็นปกติของคนสัพสัตว์ทั่วไปทั้งหมดเลยเพราะอยู่กับสัญชาตญาณมาโดยตลอดใช่ไหมที่เราจึงมาปฏิบัติทางสมถะวิปัสนามาฝึกการเคลื่อนไหวแบบรู้ตัว ดีการเคลื่อนไหวแบบรู้ตัวเนี่ยเราก็ออกมาหลายอย่างการเคลื่อนไหวของลมหายใจการเคลื่อนไหวของท้องการเคลื่อนไหวของอีบดใหญ่การเคลื่อนไหวอิริบดย่อยการเคลื่อนไหวของธาตุสี่การเคลื่อนไหวของอาการ3 2มการเคลื่อนไหวของความเสื่อมของร่างกายนะการเคลื่อนไหวทั้ง6กเรื่องท่างกายการเคลื่อนไหวของลมแต่การเคลื่อนไหวทั้งหมด6อย่างเนี่ยย่อเหลือสองอย่าง การเคลื่อนไหวขนาดใหญ่และการเคลื่อนไหวขนาดเล็กการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่เรียกว่าธาสี่ออิธิบทสี่การเคลื่อนไหวขนาดเล็กเรียกว่าอิธิบุย่อยหรือสัมปจชัญญะเพราะนั้นหลวงพ่อเทียนเคยเลียนมาเอาการเคลื่อนไหวสองอย่างนี้การเคลื่อนไหวของลมหายใจเข้าออกเป็นการเคลื่อนไหวใหญ่หรือ ย, อย่อยคุณกหนกวันยังไม่หายง่วงเลย จง่วงแบบสวยๆนั่งยิ้มไปง่วงไปด้วยน่าเห็นใจมันค <so> ือม <the> ันนอนไม่หลับอ่าเห็นไหมการเคลื่อนไหวแบบใหญ่มีกี่อย่างคืออะไรวะไงยืนเดินนั่งนอนเห็นไ้มการเคลื่อนไหวแต่ในการเคลื่อนไหวใหญ่ๆเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวแบบย่อยแทรกอยู่ใช่ไหยทีเท่าไหร่โกมีเยอะเลยนะมีเป็นพันๆอย่างหายใจนี่ก็เป็นหายใจก็มี็นการเคลื่อนไหวแบบใหญ่หรือย่อย หายใจคอกเนี่ยเป็นขั้นเคลื่อนไหวแบบใหญ่หรือย่อยย่อ ย, ย, อ, ยอ่าเห็นไห ม, มการเคลื่อนไหวของหลงหายใจก็อยู่ในอิบุทย่อยพับตาเนี่ยย่อยใช่ไหมหายใจพูดขณะพูดเนี่ยเป็นขั้นเคลื่อนไหวของปากของลิ้นเป็นการเคลื่อนไหวแบบใหญ่หรืยยอย่ยอย ย, อย่อยเคยตามรู้มันร้องไหม พูดทั้งวันเนี่ยไม่รู้ว่าพูดอะไรไปว่างอะไรเยอะไลิ้นกระดกแบบไหนปากง่าฟังง่าแบบไหนแบบไหนเนี่ยไม่เคยตามรู้เลยเนี่นยการเคลื่อนไหวแบบย่อยมันยากเพราะมันกลายเป็นความเคยชินท่านจึงให้มารู้การเคลื่อนไหวแบบใหญ่ก่อนนี่คือมาเดินจูงโงมให้สร้างจังหวะการเคลื่อนไหวแบบใหญ่เวลายืนอย่างต้นเช้าเนี่ยเราออกกาลัง ก, กายเป็นการเคลื่อนไหวแบบทั้งใหญ่ทั้งย่อยรวมกันแต่ว่ามันมีพลังทําให้หนัก ทำให้มันหนักขึ้นเพราะนั้นการเคลื่อนไหวทั้งใหญ่ทั้งย่อยถ้าทำให้มันหนักขึ้นมันจะกลายเป็นประโยชน์ทางกายหมายความว่าทําให้ซ้ํานะโดยเฉพาะถ้าเดี่ยวฝ่ายที่เป็นเทเลไลท์ลทั้งห้าใช่ไหมจะหนักกว่าชุดแรกชุดแรกคือห้าคือถ้าอามาเนี่ยให้ไปทําทุกวันรับรองว่าร่างกายเมื่อวานแฟนคุณเชอรี่นะมาตอนแรกมาปฏิบัติธรรมมาอยู่ที่ครุสติคุณเป็นเท่าแก่เลยนะอ้วนเธอะทะหน้า ยนแต่มาที่วนี้ทํำไมมันคนละคนเลยในะสมาร์ทหนุ่มขึ้นมาตั้งเยอะแล้วคุณไปทําอะไรมาผมทําที่ตามที่พ่อบอกแล้วนะทุกวันเออเห็นไหมมันเปลี่ยนนะชีวิตเปลี่ยนเลยแต่ขอให้ทําจริงจังทุกวันเท่านั้นนะะถ้าถ้าหากว่าทําไงว่านอกจากอะไรผมลดอาหารลงผมกินแต่ส่วนใหญ่เป็นอาหารผักกินไม่มากอะแต่ถ้าคนออกกำลังกายทุกวันยังกินมากเหมือนเดิมอยู่ก็ไม่เปลี่ยนแปลงเขาต้องมีองค์ประกอบอย่างอื่นด้วยทานน้าให้เยอะ หายใจให้ลึกๆออกกําลังกายลดอาหารลงเคยกินห้าสิบคำก็ให้เหลือสักสามสิบคำเคยกินสามสิบคำก็ให้เหลือยี่สบคําแล้ ว, ล ว, ล ว, ลวกินตอนหิวอย่าไปกินตอนอยากมันก็จะต้องคือสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยมันไม่ได้มาง่ายๆหรอกมันจะต้องเรเยียกว่าเวิร์กเวลี่ฮาร์ดแหละต้องทํางานหนักแหละไอ้การออกกําลังกายนี่หนักไหมหนักไม่มีใครชอบหรอกแต่นั่นแหละมันจะเป็นส่วนให้เราได้ ในสิ่งที่ดีที่สุดนะเมื่อต้องการร่างกายจิตใจสติปัญญามันสมองดีที่สุดคุณก็จะต้องต้องบริหารมันไม่ใช่คุณไม่จะเป็นไปตามเพราะงการปฏิบททัติธรรมคือทําให้มันถูกตามกฎเกณฑ์อว่าจะทํำยังไงก็แล้วเป็นการปฏิบัติธรรมทั้งหมดไม่ใช่ทําให้มันถูกเรื่องกายก็ของร่างกายทําให้มันไปถูกเรื่องของกายเรียกว่ารูปธรรมถ้าทําให้มันไปถูกเรื่องของนาม หรือจิตเรียว่านามธรรมาทําพิ่มไม่ถูกร่างกายเขาต้องการอะไรนะต้องการปัจจัยสี่ใช่ไหมต้องการปัจจัย 4, อาหารเครื่องนูม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเขาต้องการแค่นั้นแต่ถ้าปัจจัยเพิ่มมากกว่านั้นเขาไม่ต้องการหะ่ะแต่ถ้าเราไปเพิ่มให้เขามันก็เป็นภาระละทีเนี้ยนะเป็นภาะระปัจจัยสี่จะเพียงพอดีทีนี้ในส่วนของจิต ท mm hmm. ี่มันถูกท่องเขาต้องการอะไรเขาต้องการสีเมื่อกันการสี่อย่างคือใช้อิริบทสีให้สมดุลแล้วก็จะใช้สติปัฏฐานสีแล้วก็จะไปรู้จักอริยสัจสี่เนี่ยต้องการสีเมื่อกันแต่มันสองสามชั้นชั้นที่หนึ่งใช้อริบทสีให้ถูกชั้นที่สองไปรู้จักอริยสัจสีอ่าสติปัฏฐานสีก่อนชั้นที่สามไรู้จักอริยสัจสี แล้วท่านที่สี่ก็ไปรู้จักทำสี่ประการคือสติสมัชัญญะสมาธิและปัญญาก็สี่เหมือนกันเพราะฉะนั่นเนี่ยของนามเนี่ยก็จะเป็นหลายชั้นละชั้นที่หนึ่งรู้เรื่องของธาตุสอีทสอบทตอริยสัจสี่สติปัฏฐานสี่แล้วทำสี่มันก็หลายชั้นแล้วก็รู้ไปทีหลายชั้นละชั้นแต่แรกในรู้แค่อีบทตสี่ไปก่อน ยืนเดินนั่งนอนบริหารให้มันพอดีก่อนก็ทำให้เป็นรูปธรรมนะไม่ใช่ว่าเออมันเป็นคำพูดคำสอนมันเป็นหนังสือเราก็ทำบ้างไม่ทำบ้างอันนี้ก็ไม่ถูกต้องต้องไปทำดูว่าไอ้ไอบทสี่ให้มันสมดูถูกต้องทำางไงได้บ้างยืนนานไป็นไงสบายหรือไม่สบายและในสี่อย่างนี้มีตัวตัดสินอยู่สองอย่างคือตัวรู้สึก สบายและไม่สบายเท่านั้นแล้วก็ความสบายก็ให้พอดีความไม่สบายก็ให้พอดีเนี่ยที่มันยากส่วนใหญ่ถ้ามันสบายไปไงแล้วก็เสพเกินพอดีถ้าไม่สบายแล้วก็ขี้เกียดเปลี่ยนก็นั่งแช่มันอย่างเงี้ยนะมันก็เกินพอดีทั้งสองด้านเลยความสบายก็เกินพอดีความไม่สบายก็เกินพอดีอันนี้เราเรียกว่าไปสู่ความสุดโตง่งแล้วในที่สุดก็ทุกโขเป็นไปเพื่อทุก์ ฮีโนคาโมกุทุชนิโกอานาโยอานาถสั น, น, นิโตไปเลยที่นี้ก็ไม่เกิดประโยชน์เป็นเรื่องของอชาวบ้านธรรมดาก็ทําได้เรื่องอย่างนั้นไม่จําเป็นมาปฏิบัติฮะปุทุชโนโอเนะี่ยแต่เรามานี่เราต้องการที่จะมาเปลี่ยนอ่าเปลี่ยนมาเป็นตรงข้ามนะว่าเปลี่ยนเป็นสัมมาทิฏฐิฮะเขาบอกว่าทางสายกลางเรา้อเดินทา ง, อ, ง, อ, งอ่าทั้งแปดเส้นนี้นะ ต้องมีความเห็นถูกต้องเรื่องกายเห็นถูกต้องว่าร่างกายเขาต้องการอะไรแล้วความเห็นถูกต้องทางจิตว่าจิตเขาต้องการอะไรเนี่ยให้เห็นถูกต้องด้ว่าสมาธิิร่างกายนี้ธรรมชาติของเขาเป็นสุขหรือเป็นทุกข์จิตใจนี้ธรรมชาติเขาเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เห็นที่ถูกต <IS> <sınız> ้องก่อนเบื้องต้นการเห็นสภาวะสองอย่างให้ถูกต้องเราว่าเห็นรูปเห็นนามรู้เรื่องของรูปและรู้เรื่องของนามแต่เรามาเลือกง่ายๆภาษา พื้นบ้านว่าเห็นกายและเห็นใจแต่ภาษารูปนามคําว่ารูปนามเป็นภาษากรรมาฐานบางคนคนใหม่ยังไม่รู้ว่าเออรูปนามเป็นยังไงแต่ว่าพูดว่าเออรากายใจเป็นยังไงรู้แต่ข้างกายและใจเป็นส่วนหนึ่งของรูปของนามเพราะคําว่ารูปมาถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์รูปมาถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยคําว่ารูปคําเดียวมันมันเข้าไปถึงสิบสองอย่างคือภายในหภายนอกหก แต่เราเอาไปใช้คําบอกกายเป็นส่วนหนึ่งใน12อย่างแต่มันเห็นชัดก็เรียกว่ากายนะแล้วว่าข้านามก็เหมือนกันนามก็หมายถึง6อย่างตั้งแต่จักุวิญญาณนะโสตวิญญาณขานวิญญาณตัวรู้ทางความรู้สึกเขาเรียกว่าเอไอเซนตั้งเซนโนเซนแล้วก็ บริเซนเมนเตอร์เซนเนี่ยคือคือทั้งทังวิญญาณทั้งหเนี่ยควารู้สึกทั้งหกทางนี้เป็นเป็นนามหกทางแต่ทั้งรูปเสียงกลิ่นรสัมผัสข้างนอกมันมันไม่ใช่ตัวเราเป็นตัวกระทบแต่พอมากระทบกันแล้วก็ให้เกิดวิญญาณทั้งหคือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มีวิญญาณมีตัวรู้ตัวรู้กดหทางคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะแต่ร่างกายร่างกายนี้มันมีสิบสอง คือฝ่ายรูปของภายในหกรูปภายนอกหกมากระทบกันเพราะนั้นเราก็มาปฏิบัติจุดที่มันกระทบหน้ามีการกระทบอยู่การกระทบเกิดจากอะไรกระทบแล้วเกิดปฏิยาคือเกิเคลื่อนไหวแต่ที่เคลื่อนไหวไบ่อยเพราะอะไรเพราะอาการที่เรานั่งเนี่ยมันไม่พอดีใช่ไหมเราก็ปรับนุ่นปรับนี่หนาวเย็นเกินไปไม่พอดีเอาหาผ้ามอโหมร้อนเกินไปมาหาไม่พอดีเอา เสื้วผ้าให้บางไปหาพัุมมาเป่าไปหาแอรมาเป่าเนี่ยจะปรับความพอดีนี่แหละแต่เราทํากิจรกรรมเหล่าเนี้ยอันนี้คือเป็นสมาธิทิแต่ตามหลักการบอกว่าสมาธิที่นึงต้องเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นเรานะมันเป็นทุกอ่ะมันเป็นทุกเพราะอะไรเพราะมันหมุนตามกฎของไตรลักษณ์ดีจังทุกขังหน้าตาสอง ให้เห็นว่าทุกเนี่ยมีที่ไปที่มามันไม่ได้เกิดขึ้นลอยลอยใช่ไหมโ ย, ยมโยธินทุกพกงองง่วงยังไม่หายเลยไหมเมื่อคืนนอนหลับไหมใครมานั่งฟังหลวงพ่ออยู่มานั่งงาเงื้อเงื้อนี่ไม่ได้นะหลวงพ่อจะต้องด่าใชนหน่อยเท่านั้น <laughs> ให้ตื่นนะถ้ามานั่งฟังหลวงพ่อเราง่วงเหงานี่เป็นบาปหมือนกันต้องไล่บาปออกไปก่อนนะฮะเพราะนั้นร่างกายเป็นที่ตั้งหนึ่งไม่สบาย ใช่ไหมสองความไม่สบายเนี่ยมีที่ไปที่มาสามความสบายมีอยู่สต้องหาให้เจอเนี่ยนี่เขาเรียกเห็นเห็นกายอย่างถูกต้องหนึ่งร่างกายนี้ปกติมันไม่สบายสองหาที่ไปที่มาของมันให้เจอมันมาจากไหนความไม่สบายเนยสามหาเจอแล้วมันมีความสบายเกิดขึ้นสต้องทําความสบายให้เกิดขึ้นเป็นประจํา ก็รู้ว่าสบายก็มีเหตุความไม่สบายก็มีเหตุสบายมีเหตุก็คือการรู้จักรู้เท่าทันแก้แล้วก็แก้เรื่อยๆนี่อันนี้คือความสบายและเหตุของความสบายความไม่สบายคือร่างกายนี้เปลี่ยนแปลงตามกฎใจรักวิธีแก้หาเหตุให้เจอเห็นมาจากอะไรมันไม่พอดีนั่งนานเกินไปไม่พอดียืนนานเกินไปเดินนานเกินไปนอนนานเกินไปความเหตุของมันคือเกิน ยืนเกินนั่งเกินนอนเกินกินเกินดูเกินเสพเกินเป็นเหตุของทุกหมดก็มาทําให้พอดีการปรับให้พอดีทางกายง่ายๆใช่ไหมแค่ปรับอิรูบทศรีบทย่อยก็ได้แล้วแต่การปรับทางจิตไม่ง่ายนี่พี่มันยากต้องมาปรับทางจิตมาปรับทางน้ําเนี่ยต้องใช้หลักแปดประการคืออ น, นิมมิบิองแปดนะแต่หลักการบําบัดทางกายที่มันทุกเนี่ย ไม่ต้องไปใช้มรรคในองแปได้เหรอกเพราะอะไรเพราะมันเป็นสัญชตาตญาณของคนของสัตว์ที่ทําอยู่แล้วสัตว์เวลามันหิวมันก็วิ่งหายกินเนี่ยเวลาไปหนาว ม, มันก็ไปหาหลวงหาหลังของมีร้อนก็ไปหาหลวงหาหลังโดยธรรมชาติอ่าเพราะฉะนั้นทุกทางกายเนี่ยทุกคนบําบัดได้เพราะมันเป็นสัญชตาตญาณแต่บําบัดด้วยความสองอย่างบําบัดแบบสัญชตาตญาณไม่รู้นื้อรู้ตัวเป็นภาวะของ ทั่วไปแต่ผู้ที่เจริญแล้วผู้ที่ต้องการความเจริญเรียกว่าอาริยะเนี่ยต้องปรับอย่างรู้นือ้อรู้ตัวปรับการบำบัดทุกอย่างรู้นือ้อคุณเริ่มเป็นอริยะบุคคลเริ่มเป็นทางของอริยะละเขาเรียกวาอาริยมรรตต้องใช้อริยมรรตต้องเดินตามทางของผู้เจริญที่ท่านทำมาก่อนคือทางของพระอริยะ แต่ถ้าหากว่าคุณไม่ทำแบบนั้นก็เป็นอนัตถสันอ น, นาธิโยคือเป็นทางของผู้ที่ไม่เจริญใครก็ทําได้นะเพราะฉะนั้นทุกคนในการมีการบําบัดทุกทางกายอยู่แล้วแต่เวลาคุณต้องกิมต้องอถ่ายต้องเคลื่อนต้องไหวต้องหายใจต้องอ บ, บําบัดต่างๆเนี่ยทุกวันในที่เราทํำมาหากินเนี่ยก็เพื่อหาทางบําบัดทุกทางกายเพียงพอไหมทุกอย่างบําบัดได้บทดพร้อมหมดทางกายเนี่ยจบไหม ไม่จบมเมื่อนั้นเจตถีเป็นหมื่นล้านแสนล้านมันก็ไม่ต้องมามาปฏิบัติธรรมใช่ไหมเพราะอะไรเขาก็ยังใยอยู่เพราะเขาไม่รู้วิธีการบำบัดทุกทางจิตหรือทางนามจนกว่าเขามาเดินทางของอริยะคือมาเปลี่ยนเอาการบำบัดทุกขทางกายอย่างไม่รู้มือรู้เนื้อรู้ๆๆตัวให้เป็นการรู้เนื้อรู้ตัวไอการที่จะรู้เนื้อรู้ตัวทั้งได้ตลอดเวลาเนี่ยจะทําไงก็จะต้องมาสร้างความ ข้มแข็งของสติเพราะสติสมิยะเป็นตัวที่จะเข้าไปรู้เนื้อรู้ตัวนั้นตลอดเวลาที่เราทำความเพียรเดินโยกมสร้างจังหวะทั้งวันเนี่ยประการเดียวคือต้องการมาพัฒนากําลังของสติสมิยะเท่านั้นเองนะโดยทําพิเศษนะอันนี้คือบทสรุปของธรรมจกกักรกระกวัฒนสูตที่สวดมาจนเช้าทั้งหมดสรุปได้แค่นี้ แต่แล้วตอนที่สองท่านบอกว่าอาพอทําได้อย่างตามนี้ท่านบอกว่าอ่าจักขุงูทปาิอ่ า, จ, า, ออ า, า, อาจะเกิดสติสัมเพรญญ า, ยาเป็นดวงตาจักษุธรรมะจักษุเมื่อเกิดสติวิญญาเป็นสามารถมองดูตัวเองได้ทะลุมองใจได้ทะลุเกิดญาณังอุท่ปาริเกิดญาณเกิดขึ้นคือรู้หลายชั้นไม่ใช่รู้ชั้นเดียวอ วิชาอุทปิธิรู้เป็นหลักเป็นการถูกต้องตามหลักวิชาวิชาเกิดขึ้นแล้วปัญญาอุทปิ ธ, ธิวิชาอุทปิ ธ, ธิแล้วก็อะโลอุทปิ ธ, ธิเมื่อถูกต้องตามหลักการต่อเนื่องแล้วเกิดอะโลโกขึ้นมาคือแสงสว่าง enlightenment เ, เ, เ, เกิดแสงสว่างขึ้นมาที่ท่านบอกว่าจะคุงอุทัปิธิญาณังอุทปิ ธ, ธิปัญญาอุทัพปิ ธ, ธิวิชาอุทปิ ธ, ธิอาโลโกแล้วสวดธรรมจากเมื่อกี้ใช่ไหมสัําไปสมาจําได้บ้างไหมอ่า ถ้าทําอย่างนี้ได้แล้วจะกูเกินเท่าก็เป็นไปเพื่ออะไรเพาเป็นไปเพื่อความสงบอุปสมายะเป็นไปความรู้พร้อมสัมโพธายะเป็นไปเพื่อความดับความเย็นเป็นนิพพานายะสังวัตติอ่าสัมโพธยะอภิญญาะอุปสมัยะอภิญญาจะสัมโพนิพพานายะสังวตติเป็นไปเพื่อความรู้ สงบรู้ยิ่งเห็นจริงรู้พร้อมรู้ทั่วแล้วก็เป็นเพื่อสงบสเสียเงินอันนี้แหละเรียกว่าอา น, นิสงส์ของมันนะท่านเข้ามาสรุปแต่ทําไมที่เดียสวสวดหลายรอบเมื่อกี้สวดไอ้ตัวไอ้ไอ้ไอตัวจ้กขุนเทวทีหลายรอบท่านบอกว่าต้องรู้ถึงสามรอบเลยนะปริวัตรสามคือรู้ทุกขก่อนที่มันเกิดสองขณะที่มันเกิดสามขณะที่มันดับไปแล้วรู้สามขนาด แล้วทั้งสะทั้งสี่อย่างเอามาหมุนทั้งหลายสามสี่ก็เป็นสิบสองปริวัติสามอาการสิบสองปริวัติสามก็เหตุเกิดทุกออมันมาอย่างนี้สองเหตุเกิดทุกมันกําลังเกิดอย่างนี้สามเหตุเกิดทุกเรารู้แล้วเหตุเกิดทุกเป็นยังไงเราก็จะรู้กําลังเกิดเราก็รู้เกิดแล้วก็รู้แล้วเอามาหมุนก็เรือรู้ด้วยอาการปริวัติสามด้วยอาการสิบสอง หมุนสามครั้งสามสี่สิบสองแล้วก็หมุนซ้าไปสมาสวดจากคุุงุทธะปฏิสิบสองรอบที่เราสวดเมื่อกี้ถึงมนถึงยาวไงเมื่อพระพุทธเจ้าท่านแสดงอย่างนี้ปับ๊บใครเป็นคนแรกเข้าใจก่อนจําได้ไหมใครเป็นคนแรกอัญญาโกนิยะเนี่ยตามพระพุทธเจ้าตั้งแต่สมัยท่านเป็นหนุ่มนะท่านเป็นพรามณ์คนที่ร้อยที่ร้อยแปดที่อายุน้อยที่สุดอายุสาสิบห้าขณะนั้นแต่พระพุทธเจ้าเพิ่งเกิด นั้นพูตอนที่พุทธเจ้ามาบรรลุธรรมนื้ออายุเท่าไหร่สามสิบห้านั้นแสดงว่ากนทีะอายุเท่าไหร่ตอนนี้เจ็ดสิบแล้ว mm hmm. เห็นไหมท่านอายุเจ็ดสิบตามมาสาสิบห้าปีท่านมั่นใจว่าแต่พาม์ทั้งร้อยเจ็ดคนทํานายเป็นสองนายหมดว่าจะต้องไม่ออกบวชก็ เ, เปน็นมหาจากักรพรรดิแต่คน ท, ที่ย่าทำนายเป็นนายเดียวต้องออกบวชแน่นอนองค์เนี้ยเพราะนั้นก็เลยบอกเพื่นอัน เพื่นๆ เ, เอาไว้เออถ้าแกไม่ออกตอนนั้นพวกโคท่านไม่ทันนะเอาลูกหลานขเขายชาใิจต้องออกติดตามท่านแน่นอนทีนี้ลูกหลานตั้งแต่มหานามะพัทธิยะมหาดามะอจฉีนี่ก็ตามทัดกุฏิออกมาเลยนะออกมาบวชนะนั้นเข้าใจฟังไปฟังไปเข้าใจว่าไงจังกินจิสมุทิยะธรรมังสัพพันตังนิโรธาธรรมนติที่เลยสวนเมื่อกี้อ๋อทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดแล้วมันก็ดับ ไม่มีอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับแต่มันจะดับช้าหรือดับไวเกิดช้าหรือเกิดนานเท่านั้นเองแต่อย่างสมมุติเราได้ยินเนี่ยปับ๊บพอสิ้นเสียงปั๊บเนี่ยไอ้สิ่งที่ได้ยินไปไงดับไปแล้วใช่ไหมอ่าสิ่งที่แต่ว่าที่มันไม่ดับมันเหลืออะไรถ้าเข้าใจมันเหลือเป็นปัญญาถ้าไม่เข้าใจมันเหลือเป็นตัณหา อ่ามันจะเหลืออยู่สองอย่างถ้าฟังแล้วเข้าใจปัญญาเกิดแล้วปัญญาเกิดก็จักสุก er, เกิดขึ้นแล้วกัเราญาณเกิดขึ้นแล้วกัเราปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดแล้วแสงสว่างเกิดแล้วมันก็จะเหลือตัวนั้นเป็นแสงสว่างนะแต่ถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจมันก็เหลือเป็นตันหาสามอ่าไม่ชอบชอบไม่ชอบชอบไม่ชอบก็สลับกันอยู่อย่างนั้นถ้าเราไ่ชอบ ก็ยังไม่เกิดปัญญาถ้าเราไม่ชอบก็ไม่เกิดปัญญาแต่เราฟังแล้วเข้าใจพอเข้าใจแนละ้วมันจะไม่เกิดข้าไมาชอบหรือไม่ชอบตัวนี้มันคือออกมาเป็นตัวรู้เพราะเอามาเกิดตัวรู้ตัวนี้เรียกว่าเข้าใจท่านก็อุทานว่าอ๋าอย่างกินจีสมุทญาธรรมังสับปันทางนิโรธทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นธรรมดาทั้สิ่งนั้นก็ต้องดับหมดแต่เราไปไม่ได้ตามรู้มันก็ดับไปทางฝ่ายอวิชชาแต่ถ้าาตามรู้มันก็ดับเป็นฝ่ายวิชา มันก็เกิดความองค์ความรู้ขึ้นมาใช่ไหมจิตของเราก็สงบจิตก็ ร, รู้แจ้งรู้พร้อมเป็นไปเพื่อดับเพื่อเย็นเป็นนิพพานท่านเข้าใจแค่นี้แหละแล้วลท่านก็ไปทําต่อไปเจริญสติต่ออีกสามเดือนก็บรรลุแต่เพียงแต่เข้าใจนี้เป็นพระโสดาบันได้ดวงตาเห็นธรรมเข้าใจนี้เป็นพระโสดาบันนะแต่ว่ายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะต้องอาไปทําตามหลักการที่เข้าใจให้เป็นจริงไม่ใช่เข้าใจแล้วบรรลุเลยไม่ใช่ คำว่าเข้าใจได้ถูกต้องเป็นเพียงพระโสดารวันต่อไปจะไม่หลงทางอีกเท่านั้นเองจะไม่หลงไปทํา เ, เรื่องนเรื่องนี้เรื่องนั้นอีกจะไม่หลงไปงมงายกับเขาอีกจะไม่หลงไปอันนั้นดีอันนี้ได้ไม่มีเพราะเข้าใจแล้วมันจะต้องเป็นทางนี้แน่นอนก็มีแต่จะเพิ่มกําลังสติปัญญาขึ้นด้วยการปฏิบัติเท่านั้นเองใช้เวลาอีกสามเดือนพอสามเดือนผ่านไปท่านบรรลุเดือนที่หใช่ไหมเดินหกแต่มาถึงตอนนี้เป็นเดือน เดเก้าเนี้ยเดืนหกที่นี้มาข้ามเดือนสามใช่ไหมอันนี้เป็นเดือนสามแต่นั้นว่าประเดินหกคือวันตอนที่ท่านบรรลุคือวันวิสาขะเป็นเดือนหกแต่ไปแสดงธรรมอีกทีหนึ่งในช่วงเข้าก่อนเข้าพรรษาแล้วเข้าพรรษาอีกสามเดือนฮเพราะนั้นต่อเนื่องกันไปก็ปรากฏว่าบรรลุธรรมทั้งหมดทั้ง กุณฑ ย, ยะพัทธยะมหานามาจัชชิกุณฑยะวัป่าเนาะหรือวัปะปะกุณฑยะวัปปะพัทธยะมหานามาจัชชีทั้งห้าท่านเป็นเพื่อ น, นกันเนี่ยก็ปรากฏว่าพระหันเกิดขึ้นหกรูปในในปีนั้นแล้วก็เริ่มบอกว่าเออเนี่ยไปเผยแพร่คุณละทางนะอย่าไ ป, ไ ป, ไ ป, ไปทางเดียวกันเพราะว่ามันยังน้อยอยู่ท่านก็ไปทางไปคุณละทางก็เริ่มได้สาวกเข้ามาตั้งแต่พระชุดแรก ก็คืออ่าสารีบุตรมุขคณะสารีบุตรเราก็เชดินใช่ไหมพอองค์ก็ไปเมืองราชคฤห์ได้เชดินพันคนรูปเนะ่ยอนั้นก็ไปเมืองนาลัทธคามไปได้พันสารีบุตรกับมุขคละนามาได้เพื่อนอีกเท่าไหร่สองรห้าสิบคนใช่ไหมรวมไปแล้วพันพันสองร้อยห้าสิบลูกใช่ไหมเน่เกิดแล้วก็มาไปชุมกันวันนี้แหละ วันมาค่าบูชาแล้วผมก็สแสดงธรรมนะโดเอาเอาวัติสารอันนี้คือความเป็นไปเป็นมาทั้งหมดของเรื่องที่เราสวดกับต้นชามีใครได้ดวงใจเห็นธรรมมั้งไหมตอนนี้นี่อย่างเหมือนเดิมอยู่ออเข้าใจนะสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเข้าใจใช่ไหมเข้าใจได้ไหมเ <c oughs> ข้าใจได้ก็ได้ดวงใจเห็นธรรมนะ <c oughs> แต่ว่าระดับไหนเท่านั้นเองนะ ระดับโซดาหรือเปล่าก็มไม่รู้นะฮะก็เป็นสซดาปฏิมักกัอย่างเด่นเข้าใจนะไม่ไม่งอนแงอนไม่คอนแคลนอันนี้คือหลักการทั้งหมดที่เราตั้งเป็นหลักเอาไว้ก่อนที่เราจะแยกย่อยเป็นเลือกภาคปฏิบัติในวันต่อไปแต่ขาวไว้เป็นหลักการทั้งหมดว่าเออเราจะใช้หลักการอันนี้นะนะหลักการของธรรมจักรกับปวัตวนานสตรเพราะฉะนั้นข้อนี้เราข้อธรรมจักรกันแล้วกันเนาะนนขออะ้อเดแต่ละขอ้อเดียวมามีชื่อนะ ข้อนี้เขาทมาจาก <c oughs> เพื่อเราจะได้เอาไปศึกษาปฏิบัติเขาทีละครั้งเมื่อกี้หมายความว่าอาหารเช้าใช่ไหมอ่านนึกว่าเจ็ดโมงอันนี้เลย์สิบห้านาทีสำหรับตอนกลางวันชี้แจงหน่อยนะตอนกลางวันเนี่ยเราจะใส่บาตเป็นสั ญ, ญลักษณ์หน่อยว่าวันนี้เป็นวันมาคะถ้าเราอยู่ที่บ้านเราก็ไปวัดใช่ไหมไปวัดไปตักบาตรที่วัดที่เรามาที่นี่ก็ถือว่าเป็นวัดเราก็แยกบาตรก่อนเพนเนาะช่งเชา้าก็ทานไปธรรมดา พิธีการนิดหน่อย <c oughs> พอถึงเวลาปับ๊บทุกคนก็ไปตักข้าวมาคนละหนึ่งจานเท่าที่ตัวเองจะทานนั่นแหละตับกระเทยเท่านั้นแล้วก็ตักเผื่อพระอีกแปดแปดลูกนี่นแหละของพระทั้งเนนแปดลูปสมมุติว่าโยมจะสันห้าสิบช้อนก็สั่นห้าสิบช้อ น, ก, น, อนก็ตักมาห้าสิบแปดช้อนเพราะเผื่อพระอีกองค์ละช้อนโยมก็ได้ฉันห้าสิบช้อนพอดี บางคนไม่ถึงหานแค่สามสิบช้อนก็ตักมาสามสิบแปดช้อนเผื่อ้าอีกเพราะนั้นก็เป็นมักแปดพระภาเนี่นีนมีแปดรูปนะได้มักแปดคนเดียววันนี้ครบไหมครบนะถือเนเก้า9อกมาก็ไม่นับเหมือนกันนึกทึ ก, ก, ก, ก, ก, ก, อ, ก อ, อยู่นะอ่าแปดนะโอเคแสดงว่ามุกมักแดพร้อมวันนี้นะนี่แสดงธรรมว่าจัดสันละเพราะฉะนั้น ถ้าใครทานสามสิบช้อนก็ตักมาสี่สิบช้อนใครทานสี่สิบก็ตักมาห้าสิบใครทานห้าสิบก็ตักมาหกสิบเพื่อแล้วกันเผื่อเหลือเผื่อขาดนะให้มันพอดีนะวันนี้นะเสร็จแล้วพระก็จะเอาบาดมาเดินยงก็ยืนตั้งแถวตรงนี้ไปถึงนู้นเลยแล้วก็พระก็เดินรับบาดตั้งแต่นู้นมาพอเสร็จคุณคนสุดท้ายอยู่ที่นี่คุณหัวแถวอยู่ตรง น, นู้นพระก็ไปรับตั้งแต่นู้นมาพอสุดแถวพระก็เดินเข้าไปรับอาหารพอเดินดรับอาหารเสร็จเดินก็ตามพระไปรับอาหารต่อก็มาที่นี่ นี่คือวิธีตักปาดแบบธรรมจักอาหารไม่ต้องอาหารอยู่ที่นั้นเอาแต่ข้าวตักข้าวมาเพราะนั้นพอถึงเวลาปั๊บโยมทุกคนก็เข้าไปในครัวไปตักเอาข้าวมาพอไม่พอแค่นั้นนะนะ <c oughs> ครบสมมติเรามีเท่าไหร่ส5มสิบห้าคนก็ส5มสิบห้าจานส5มิหจานไปเทานหมดแล้วทั้งพระทั้งโยมหมดพอดีน ะ, ะถ้าเกินหรือขาดแสดงไม่พอดีไม่เป็นมชิมาปฏิปทาแล้ววันนี้ ถ้าเกินก็หมายความถุงถุงเยอะไปถ้าขาดแสดงว่าหุงน้อยไปหรือบางทีหมดพอดีแต่ว่าโยมมาทานมันมันเหลืออ่าโอ้นึกว่าจะทานสักอ่าห้าสิบช้อนตาา่างมาทั้งหกสิบช้อนนี้นะเอามันเหลืออย่างนี้ก็เกินละเพราะนั้นหน่วยเกินหน่วยขาดมันจะเป็นหน่วยเล็กๆไปหาหน่วยใหญ่ๆมันจะกระทบกันไปเข้าใจเนาะอะ่าฝ่ายปฏิบัติการก็รับไปปฏิบัติกันเลยกันเพราะฉะนั้นก็ขออนุทนาสาธุความตั้งใจของพวกเราทั้งหลาย ที่จะศึกษาเรียนรู้ร่วมกันในวันมาค่าบูชาหรือธรรมจักอคอร์ดหรือธรรมจักรทธิ์เพื่อให้เป็นไปเพื่อความาสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเป็นไปเพื่อนิพานโดยการทุกคนทุกท่านถ